เเกิดดป็นังตรนตอนระหว่างเรื่องจริงกับนิยายเริ่มจากความไม่พอใจในชีวิตตนเองนำไปสู่ความอยากรู้เหตุแห่งความไม่น่าพอใจความอยากระลึกชาติของผมจึงไม่ใช่เรื่องเล่น บางวันรู้สึกเหมือนอกจะแตกตายเพราะความอยากรู้คิดเลยว่าให้แลกด้วยอะไรก็ยอมขอให้ได้ทราบที่มาที่ไปของตัวเองเถอะครั้งนั้นผมไม่ตระหนักบอกว่าความจริงเกี่ยวกับชาติก่อนเป็นความลับที่ยิ่งใหญ่ขนาดไหนเอาอย่างนี้ละกันขอเพียงมีคนแค่ครึ่งโลกรู้ความจริงเกี่ยวกับอดิตชาติของตนเองโลกนี้จะไม่มีอาชญา ก, กรรม ไม่มีสงครามและอาจเหลือศาสนาพุทธเพียงศาสนาเดียวเหตุใดจึงเป็นไปได้ขนาดนั้นเอาล่ะสมมติว่าคุณระลึกชาติได้เห็นตนเองเคยยากจนค้นแค้นในชาติก่อนทว่าในชาติอันกันดารเหลือร้ายนั่นเองคุณกลับมีน้ำใจมีความอบอ้อมอารีแล้วก็ไม่คิดโกงใคร ไม่อยากขโมยของใครคุณจะเห็นนิมิตแห่งความดีที่ทำทั้งชีวิตนั่นเองปรากฏเป็นแสงสว่างเป็นความน่าอบอุ่นใจมีความน่ายินดีอันเสมอ ก, กันกับผลที่ปรากฏในชาตินี้คือเกิดมามีอันจะกินได้รับความเอื้อเฟื้อต่างๆนาน า, น า, นาแถมทรัพย์สินก็ไม่วิบัติด้วยน้ำมือโจรหรือโดยภัยธรรมชาติใดๆพูดง่ายๆการระลึกชาติอาจช่วยคุณเห็นชัดว่า ตัวเองพ้นจากความยากจนมาสู่ความมั่งมีได้เพราะทานและศีลหากระลึกชาติได้จริงยิ่งมากชาติขึ้นเท่าไรคุณก็จะยิ่งรู้ซึ้งว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมสมดังเช่นที่พระพุทธเจ้าตรัสชี้ไว้จริงๆไม่มีใครคอยกลั่นแกล้งกงำหนดชะตาไม่มีใครคอยบงการให้คุณทำดีทำชั่วจะเดินบนเส้นทางกรรมวิบากสายใด ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณเองในแต่ละชาติทั้งสิ้นเมื่อตระหนักว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแล้วใครจะไม่ขยันทำดีแล้วใครเล่าจะกล้าทำชั่วนอกจากนั้นคุณจะพบว่ามีเพียงศาสนาพุทธ ที่สาธยายความจริงเกี่ยวกับการเวียนว่ายตายเกิดตามกรรมตลอดจนบอกวิธีดับกรรมเพื่อยุติทุกข์หยุดเวียนว่ายตายเกิดเสียทีแต่เพราะคนเราละลึกชาติไม่ได้ต้องเล่นตามเกมสังสารวัตรคือเกิดใหม่ลืมหมดดังนั้นทั้งอาชญากรรมทั้งสงครามและทั้งลัทธิความเชื่อต่างๆจึงเกิดขึ้นที่นั่นที่นี่ไม่หยุดหย่อน ลากจ่งกันและการว่ายวานในทะเลทุกไปเรื่อยสำหรับผมความไม่พอใจในตนเองพอมาบวกเข้ากับความจดจ่ออยากรู้วิธีระลึกชาติก็ทำให้ใจไม่อยู่กับปัจจุบันไม่พอใจในสิ่งที่กำลังอยู่ตรงหน้าแล้วกลายเป็นชนวนให้ฝันเฟื่องโดยไม่รู้ตัวพร้อมจะเข้าไปมีอารมณ์ร่วมกับหนังละครและนวนิยายได้เต็มเหนียวทุกเมื่อ เมื่ออยู่ป .5 เพื่อนสนิทคนนึงแต่งนิยายกำลังภายในและเอามายื่นให้ผมอ่านผมพบว่ามันสนุกอย่างน่าทึ่งและกระทุ้งให้คิดว่าถ้าเพื่อนเราเขียนได้แล้วทำไมเราจะเขียนไม่ได้ลงมือเขียนเรื่อยเปื่อยและพอขึ้นป .6 ผมก็มีแฟนนิยายเข้าคิวรออ่านกันเป็นทิวแถวตั้งแต่พี่สาวสองคนในบ้านไปจนกระทั่งเพื่อนร่วมชั้นร่วมครึ่งห้องที่โรงเรียนความปลื้มกับการมีแฟนคลับทำให้เกิดกำลังใจในการเขียนไม่หยุดและจากแรงบันดาลใจให้หัดเขียนนิยายก็กลายเป็นการค้นพบว่าชีวิตคนใช่จะต้องเป็นเรื่องจริงเสมอไปเมื่อเขียนถึงละครตัวไหนใจเราก็อยู่กับความเป็นอย่างนั้น รู้สึกเป็นจริงเป็นจังไปตามนั้นหน้าตาและชื่อนามส ก, กุลในโลกความจริงเหมือนหายไปเรากับมีเมฆหมอกอาถรรพ์ก้อนใหญ่ก่อตัวขึ้นในหัวของเราแล้วเราก็เข้าไปอยู่ในเมฆหมอกนั้นเพื่อกลายเป็นคนโน้นทีคนนี้ทีในโลกของนิยายผมเป็นใครได้หลายคนโดยไม่ต้องตายแล้วเกิดใหม่จึงช่วยลดความไม่พอใจในตนเองลง กับทั้งลดระดับความอยากรู้อยากเห็นอดีตชาติได้มากถ้าคิดในแง่ของอายุไขนิยายก็อาจเป็นความจริงยิ่งกว่าชีวิตของพวกเราซสีอีกเพราะคนเราอายุไม่ถึงร้อยปีก็ตายส่วนนิยายอาจยืนยงคงกระพันหลายร้อยหลายพันปีถ้าคนเขียนฝีมือดีน่าจดจำได้เท่าเชกสเปียร์ การเขียนนิยายเป็นจุดเริ่มต้นของอาชีพนักเขียนแต่ไม่ได้เป็นจุดจบของความเบื่อหน่ายผมได้โลกใหม่มาทั้งใบเพียงเพื่อจะพบในเวลาไม่นานว่าผมไม่ได้เป็นเจ้าของโลกใบนั้นเลยในเมื่อผมไม่มีความสามารถจะเขียนได้ตลอดเวลาแล้วก็ไม่ใช่ทุกครั้งที่ผมและแฟนคลับจะพอใจในผลงานแต่อย่างไรก็ตาม การคร่ำวอดอยู่ในวงการนิยายนั่นเองที่ช่วยให้ผมเข้าใจว่าความเชื่อมีอิทธิพลกับเราเหนือความจริงเพราะไม่ว่าความเชื่อจะมาจากประสบการณ์จริงหรืออ่านเอาจากนิยายมันก็มีส่วนผลักดันให้เราลุกขึ้นทำดีลงมือทำร้ายหรือกระทั่งตั้งโจทย์สำคัญให้กับชีวิตที่เหลืออย่างถูกทางได้ เต้งตาร่างกาทง้ผู้คนหความโดยดังตริน จ, จากมิตยาสารธรรมะใกล้ตัวฉบับที่62เสียงอ่านโดยโจโชงเกิดกันมาโลกเดียวทานทือผิวฉันทันบ้างเกลียดยามกันเหลือเกย l i บ e บา f e life, life, life, life, life, life, life, l i า e life, life, life, life, life, l i f